ส่วนจะออกภาษาบาวานซ์ทางงานทางด้านนอกออกมาอยากจะมีมาบ่อย อูอยู่ในวัดในวา เ, นเขาเลื่องสยตัดตามาทำบุญทุธทานจกากสถานที่ต่างๆเขาจะดูมาหมดว่าวัดไหนที่ส่ตามมาเนียนเป็นอย่างไรวันสนับส น, นุนหรืออย่างไรเขาจะต้องพิจาาเพาเขามีหูมีตามีมใจฉะนั้นพวกเราจึงจิงจริง ยิสุสามเนนเจ้าจิ่มอยู่ในวัดเสว่าตา ร, รมฐานนะปฏิบัติถึงระวังสังวรตัวของตัวการผูดชาปลาใสหรือศีิรายามารยาทุกอย่างจิหนอกเหนือไปจากเรื่องของสมาะอย่าขากัรแต่ทำให้ระวังสังวร ตัวของตัวเจรษาศาสนาเพราะคนสมัยนี้นับวันนับเวลาที่จะเสื่อมการเลื่อมใสทางศาสนาด้วยอนนานาจวิทยาอรอยิยญาของผิ้สืบสา ม, มาเณรผู้รักษาและศาสนาไม่ไปฏิบัติอาาัดรมเป็นที่เชื่อเลื่อมใสของเขาเขาจึง เบือหน่ายายศัทภาไม่ินดีเรื่มใสพรนุถนอมศาสนาและสนใจที่จะฟังธรรมะํำสอนของพระพุทธช้จ่าฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติหม่ว่าตาที่สุขหรือสามเณรยิงควรจงหวนรักษาตักสีของพระศาสดาของพวกเราไว้เพราะศาสนาเื่องตัศาสนาก็คือพระพุ้ใช้จา พระองค์ท่านมีวิริยะมารา ย, ยาหรือทุกสิ่นทุกต่วหน้าเลื่อมไสสัดธาเพราะท่ทานเป็นใสตัดเคยฝึกหัดิสัสใจพอมาทุกอย่างเรียบร้อยดีงาพวกเราซึ่งเลื่อมใสสัสดธามาบวชในาศาสนาก็บวชเฉพาะพอพดใช้จ้ายพอได้ บ, บวชเฉพาะคนอื่นง ควรนึกคิดว่าศาสนาเกิดขึ้นจากผู้ดีดิเศษไม่ใช่เือจากคนที่มีที่เักษณะปัญญายาบเกิดจากผู้ที่มีความดีความเด็นทางความหากความเพียนทางการละการถอนทุกด้านที่พระพุทธเจ้าสามารถคีดแกททำประชาชนคนทั่วไปให้เลือกใส่ ไม่ว่าคนจะเหลื่อมใสด้วยอาสัจคิริยาขาชีอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ที่จะนำคนให้เหลื่อมใสายสัทธาอยู่เสมอไปเมื่อพวกเราบวชเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างนั้นการบวชของพวกเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้บวชมุ่งปฏิบัติแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานปฏิบัติอยู่ในวัด ประวัดป่าซึ่งสมัยนี้เขาเชกันว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อประชาชนคนอืน่นที่มาเห็นเข้าิริยาราะยาิของพวกเราถือว่าเป็นนักปฏิบัติเยเลเจกะต่างๆหาทางสงบสงัดไม่ได้พูดคุยกันลั่นวัดหรือไม่ปฏิบัติอาจทำอะไร เป็นทางที่จะตายตามเชื่อตามเลื่อมใสในสมสื่อว่าเป็นนักปฏิบัติขอเตือนเอาไว้เพราะคนมาในงานทีนี้คงจะมีส่วนใหญ่รวมกันหลายกลุ่มเขาก็ทอดหลายวัดดังนั้นถ้าหากเราจะจักเตือนกันในเวลาเข้ามามันฟองสมควร เ, เราทุกคนผูมาบวชเป็นที่สุสามาเนานานักบวชสือเขาเรียกว่าพระก็คือผูไปเสดสมณะก็คือผูใจงบสามาเนานก็ออกจากสมณะถึ่ระหว่างรักษามีสมณะสัญญายิตวาเคราของเราไม่เป็นทะเลาะ ห, หน้าขีดของ นักบวชเป็นอย่างไรเราจะต้องทั้งรวมระวังกายใจของเรานี่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอัตมีธรรมในตนของตนในเช่นนั้น <c oughs> เขาจะดูถูกเงินทาว่าทาปฏิบัตินักปฏิบัติมีแต่ชื่อตามชิ่งแล้วไม่มีอะไรน่าเลื่อมใสน่ากัดทาเขาจะ ตำหนิมินทาอย่างนั้นถึงเขาตำหนิมินทาก็เป็นเหลืองของเขาแต่ส่วนใหญ่ที่มีศกกังวลก็คือตัวของเราถ้าหากเราไปประพฤติปฏิบัติดีกว่าตัวของเราเองจะเดือดร้อนแผลบเผาหาความสุขความสบายภายในกายในใจในดักรีบปรงปร่งไปแต่เหลืองภายนอกผลที่สุดอยู่ในวัดแบเหมือนอยู่ใน พกในตลาหาความเยอนเย็ น, นก็นสุกไม่ได้ทั้งๆที่กินข้าวสุกปลาตายของเขาความสุขความสบายขนาดนี้ยังไม่มีใ น, ในใจของตัวก็ได้ชื่อว่าเรานี่เป็นคนสั่วควนเสีย อ, อะไรทุก อ, อย่างที่เขาใส่มาบูชาทาบุญดื่อความบริสุทธิ์ใจ เขาเห็นว่าพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมดีนายเป็นผู้มีจิตมีใจสูงก ว, ว่าคารวะเขาจึงยอมเสียสละอาหารยินทบาทตลอดถึงเสนาสนะที่พระธาอาศัยไม่อย่างนั้นเขาไม่มีการเลื่อมใส่ไม่มีตัดขาาหากเห็นว่าเสมอกับเขาทุกสิ่นทุกส่วนทุกสิงทุกอย่างจะต้องเลซื้อได้หา เขาเขาจึงจะให้เพศของเราเป็นเพศนักบวชเป็นเพจสมณะเขาถือว่าเป็นเพศที่ประเสริเป็นเพจที่ดีแต่จิตใจของเราหากมันชั่วมันเสียมันต่ำมันตามอย่างนั้นข็ควรทุกท่านที่จะหนวนรักษาและแนะสอนจิต ใ, ใจของต น, นให้เป็นสมณะคืออยู่ในวง ของอัดของทำให้ใสงบทางกายทางมาจาทางใจส่วนใดสิดคิจปรุงปู่งไปเรื่องไม่เป็นอัดเป็นทำให้มีตสติปัญญาตักเซือนตัวข้องตัวสม่ำเส ม, มอไปใจเป็นของสำคัญที่ปรุงปู่งขึ้นก่อนเมื่อรักษา สังวรไม่ไหว็จะออกมาทางวาจาสาที่เล็กยากเพียงพอใจะออกมาทางใจจะแดงขาทีไปต่างๆนานาใจเป็นหัวหน้าที่จะดีใจขั่วต่างๆฉะนั้นใจจึงเป็นเรืเ่องสำคัญที่พวกเราต้องควรรักษาปฏิบัติใจก็ไม่เหลือวิสัยของสศิปัญญาสิพระพุทธเจ้าเคยแนะน ผู้ที่มีสติสังวรมีปัญญาสอบรู้เรื่องจิตรุงคิตต่างๆจะมีทางแนะนตัวได้และสะดวกสบายสงบสงัดเรื่อยไปจนใจเห็นอัดเห็นทมเข้าใจจะไม่เกาะเกี่ยวเรื่องนอกเพราะอัดทำที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนเอาไว้เป็นของที่ จะสัมผัส ด, ด้วยใจของตัวเองและความสุขซึ่งเกิดจากอาจจากธรรมจิตใจได้สัมผัสจะมีรสชาตดีเด่นกว่าสิ่งอื่นทั่วไปเมื่อเห็นสิ่งดีดีเศษอย่างนั้นเรื่องอื่นนอกออกไปจากอาจจากธรรมจากการประพฤติทางสิตทางใจก็ไม่มีทางที่จะรั่วไหลมาทับถมจิตใจอีก เกียใจเพราะใจนี้ที่พึ่งที่อาศัยสุขเย็นสบายอยู่แล้วสิ่งที่ปรุงปุ่งออกไปเราขอทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ชั่วที่เสียใจที่คิดปรุงปุ่งไปภายนอกเป็นใจของคนที่ไม่มีอัดไม่มีทำคนที่มีอัดมีทำจะต้องอยู่ในขอบเขตของอัดของทำ ถึงคุ่งปรุงจิตไปก็อเกิอจะให้ปัญญาสอบรู้ว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้แล้วโอปนาโกน้อมเข้ามาเทียบกับเรื่องภายในของจิตของใจเพื่อแก้ไขความผิดข้องต่างๆที่สงสัยลังเลหนีไม้เส้นผู้ธิบประพฤต์ปฏิบททัติทมเป็นไป ในจิตในใจเป็นอย่างนั้นไม่มีการที่จะคิดกรุงปรุงไปสู่เรื่องนอกให้เสียลําเวลาตั้งหน้าตั้งตากําจัดกิเลสตัณหาที่ยังไม่เกิดห้าไม่ให้เกิดึที่เกิดขึ้นแล้วในจิตในใจสําระสสางไปทุกวันทุกเวลาจนกิเลสตัณหาคว า, ามเศร้าหมองของใจคว า, ามอยากของใจตกไปหมดไป ทำสติยินใจในอัดในธรรมเกิดขึ้นทุขสบายเบาใจเบาใจทุกวันทุกเวลาไปนี่ทางปฏิบัติของชักทางปฏิบัติของสมณนะทางปฏิบัติของนักบวชไม่ใช่เรื่องอื่นภายนอกจะทําจิตทาใจพองเราให้สงบหยอะเย็นได้ นอกจากอัดคำคำตั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ตั้งหน้าปฏิบัติอัดคำคนนั้นแหละทำจะรักษาจะไปอยู่ในสถานที่ใดจะมีความสุขกายสุขใจผู้คนประชาชนเลื่อมใสตลอดถึงเทพพบุตรเทพธิดายินดีรักษาให้อารักษาปลอดภัย้วยอำ น, นาจคำที่มีประจําในใจเป็นอย่างนั้น ขันทิงว่าทำโมหาเวรักทัศิธรรมมจารีทำย่อมรักษาบุคคลผูกแบบพิษธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่ชั่วที่เสียผูกมีอัดมีทำในจิตในใจไปสู่สถานที่ใดเกิดเป็นมงคลขึ้นไม่เป็นอัปมงคลแก่ตน้างคนไม่มีอัดมีทำไปสู่สถานที่ใดความชั่วสี่ตัว ทำตัวผูดตัวคิดจะแค่เข่ากายใจแล้วก็ไม่มีใครที่จะเรื่อมใสศรัทธาเอวดาก็ไม่ตามอรารนะักขาฉะนั้นพวกเราภูมมุ่งมั่นเข้ามาบวชเป็นที่สุกสามเมลนในพระพุทธศาสนาจึงระวังรักษากายวาจาน้มใจของตนจะดีลิเศษได้ก็ออาศัยเรื่องของใจของใจ จ, จะั้อจะเสียไปก็ไม่ใช่ที่งคนอื่นเที่ยงแต่สิ่งที่ค้อยได้เท่านั้นไม่ใช่ต้นเหตุต้นตอต้นเหตุจริงจังก็คือตัวพวกเราเองทําดีมีแต่ติปัญญ า, า, าสมร assa สังขิเลตัญหาจนตัวพ้องตัวข อ, วขอเลื่อมใสสัทธากว่าจิตใจของเราเดียวนี้ไม่เหมือนก่อน มีความสุ่มื่อเบอิกบานอากับกิริยาขาดีจะทำานึ่งบูดพูดไปในฝ่ายโลกแต่จิตใจส่วนนั้นไม่เป็นไปตา่างที่เราทำเราพูดเพราะเรารู้เราเข้าใจสมมุติของโลกจะควรชายแบบไหนควททำไปตามเหล่อมของโลกแต่ใจในนิตใจไม่มีการหมันไหวเอีย ง, ยงไปตามเหลี่ยมของสมมติผูกแบบเพื่อปฏิบัต รู้เห็นเป็นตัวของตัวอย่างนี้มีความสุขทุกการทุกเวลาคนอื่นจะติ้งยิงพาว่ากล่าวอย่างไรด้วยความรู้เท่าไ ม, าม่ถึงการเข้าใจไม่ถูกต้องตามเรื่องของเราแล้วก็เป็นเรืี่ยมของเขาเขาจะชมเชยสรรเสริญก็เป็นเรืี่ยมของเขาตัวของเราพอตัวไม่มีถั่วมีดีอะไร ภายนอกที่จะมาทำให้เราเสือ่อมเราจะเรินได้นอกจากตัวพวกเราที่จะทำตัวพวกเราเองเมื่อรู้เมื่อเข้าใจว่าตัวเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งภายนอกอย่างนั้นขอวัดปฏิบัติส่วนใดซึ่งควรจะจะทำบำเพ็ญตลอดถึ ง, จ, ถ ง, งจิตใจที่จะควรแก้ไขอย่างไรที่ถัดข้อง ก็เป็นหน้าที่ของตัวอย่ที่นี่ที่เรนาและแน่ยสอนตัวให้ดีเด่นจนถึงที่สุดหมดสมมติจับดวงขิตนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนก่าเป็นสมรมะคือสงบทุกการทุกเวลาไม่มีวันใดเวลาใดไม่มีอะไรที่จะไปทาให้ ความบริสุทธิ์เป็นอื่นไปความบริสุทธิ์จะต้องเป็นบริสุทธิ์อยู่ทุกการทุกสมัยแต่วันรู้จนกระทั่งวันแดดสลายค่องกายไปอัดทมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนมาจุดนี้พวกเราท่านที่เป็นนักบวชหรือแสวงหาอาัดทมก็อย่าเพิ่งมองข้ามเรื่องเหตุผลเรื่องตนอย่าไปเสือ่อ เรื่องอื่นงมเรื่องอื่นซึงหน อ, อกออกไปจากอาชาีพครับแล้วจะเกิดความเสียใจดีใจจะเิดเพลินมัวเมาไปในส่วนโลกถ้าเราคิดเน้นสอนตัวอยู่อย่างนี้ความดีซึ่งยังไม่มีก็จะมีขึ้นความดีที่มีอยู่แล้วก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นจนถึงที่สุดลิมูธนิพานได้มีคนไม่สอนคน เอมองข่า น, นต้นเห็นตนเป็นของใหม่มีคุณค่าราคาและไเบิดเพลินในเรื่องภายนอกยิ่งออกนอกเท่าไรก็ยิ่งไม่มีเวลาอิ่มพอยิ่งไม่มีความสุขความสบายเหมือนกันกับข้าวปลาอาหารถ้าเอาเข้ามาใส่ในปากในท้องของเราจะมีความอิ่ม น, น้ำชํกลางร่างกายจะมีความสุขถ้าหากส่งออกนอก ไม่เอาเข้าปากเข้าท้องจะมีดาดื่นมากมายขนาดไหนอาหารนั้นไม่สามารถที่จะยังร่างกายให้มีกําลังได้ อ, อิ่มห น, นำขึ้นได้ฉันใดทํารู้ซึ่งเป็นเรื่องหน่อเสมือนกันจะเรียนมามากขนาดไหนก็ไม่ทําจิตทาใจผ่องตนให้สงบไม่ทําจิตทําใจผ่องตนให้หลุดพ้นนี่แต่จะ ผิดข้องนี่แต่จะเพิดเพลินนี่แต่จะหลงลืมเบื้องข้องตัวเหลื่อยไปส่วนธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจา้าถ้าองค์กล่าวว่าเป็นโอปนัโญโภครู้เห็นส่วนอื่นน้อมนําเข้ามาที่นิพิจะะารณาในตัวข้องตัวเทียบภายนอกเข้ามาใส่ภายในเห็นอะไรมาฝึกสอนตัวเองเพื่อให้ใจหายจากความ จิตค้อหายจากความกังวลหุ่นวายหายจากความประมานี่มีคติตัวอย่างมาแล้วนับไม่ถ้วนในทางพระพุทธศ า, าสนาผู้ทิ่ไปอยู่ป่ามองเห็นใบ ไ, ไม้ล่วงลงหลง่น ล, ลงมาจากขวจากสนของมันก็พี่เจรณาเทียบกับธาคขันของสนจนจิตเห็นเด่นชัดขึ้นในเรื่องสังฐานปล่อยวาง การเป็นจริงข้องมันหิตดใจข้องท่านหลุดพ้นเป็นอรหันต์อรหันต์ยังไงมาเราบอกเคยเห็นกันมาด่าดื้อแต่ไม่เลยเนาะเป็นโอปนัญจโภที่เจรนาให้แยกขาดกวเลยไม่ไดสาราประโยชน์อะไรที่เราเห็นด้วยตาหรือได้ยินด้วยหูธรรมะของพระพุทธเจ้าใช่จึิงเล่าว่าเป็นโอปนัยจโภคือไนน์เนาะเข้ามาสอนตน ทิจารณาในตนสามารถเป็นอย่างนั้นทุกคนที่มาบวชในพระพุทธศาสนาบางสั่นบางคนก็มีศรัทธาเชื่อมัน่นห่าจะปฏิบัติการจริงจังบางสั่นบางคนก็มาบวชเพราะเสียไม่ได้แต่ถึงอย่างไรจะมีศรัทธามากอ่อนหรือไม่มีศรัทธามาก่อนตาม เมื่อบวนแล้วหน้าที่ของพิสูจสามนเณรมีอย่างไรทำคำสั่งสอนสอนอย่างไรให้ตั้งใจประฝึกปฏิบัติเมื่อใจเห็นอัดเห็นทำจะเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวไม่หลงไปตามอารมณ์สั้ญยากของโลกถึงแม้จะไม่มีสตางาก่อนก็จะเกิดสตาึค์จากการเห็นการเป็นของใจ คนทีน่ีศรัทธามาก่อนแต่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาที่เจรนานะไม่ตั้งหน้าตั้งตาปลูกพืชปฏิบัติอักทาไม่เกิดขึ้นจากกิจจากใจความเชื่อความเลื่อมใสมาก่อนตอนับ ว, วันจะตกไปหมดไปมีผู้ที่อยู่ในศาสนาไม่ได้เพราะเพราะอาศัยที่เลี้ยงตั้งหาอาศัยไม่มีธรรมะของใจไม่ใช่อาศัยอันอื่นมีไม้ถึงปูกปลพืชปฏิบัติ ถึงเรียวกว่ากรรมฐานส่วนที่เขาบวชเรียนเชิญอ่านกันอยู่ภายนอกบวชเสือลายจดสรรเสริญส่วนอืน่นในมุ่งปฏิบัติอัดทำเกื่ยวกับหมลุดพ้นนั่นก็อยู่ตามเรื่องภายนอกเหมือกนกันกับฆราวานอยากโยกมียศฐาหนะต่างอย่างไรก็ตื่นเส้นกันจิตคองกันส่วนผู้ปฏิบัติอยู่ปายอย่างพระกรรมฐานจะต้องอาศัยหลักของจิต ที่นี่ที่จรานาเห็นทำเชื่อมั่นเยือกเยน็นในตื่นเส้นตามอารมณ์สัญญ้นๆเขาจะเป็นอย่างไรเรื่องของโลกจะคอยได้เอาใจใส่เอาใจใส่แต่การตัดเพื่อปฏิบัติทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะ ส, สงบทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะลงรวงทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะหลุดพ้นมุ่งมั่นอยู่ทุกเวลานาทีปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนอยู่สม่ำเสมอเมื่อทุกคนทำตนอย่างนั้นทำซึงว่าเป็นของสุ ข, ขุมทำทีละภาพลึกซึ่งจะตื่นขึ้นมาจะเห็นง่ายจะเบาจะสบายในตัวเพราะการสะพืชปฏิบัติทำผู้ที่เห็นคุณค่าราคาจากทำเห็นความอศัศจรรย์จากทำอะไรที่โลกเขา สมมดว่าดีเด่นวิเศษปรเสิดมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็เทียบกันได้กับจิตของท่านที่เจนที่เห็นอยู่ไม่มีอะไรในโลกที่จะประเสิดเลื่อนลอยไปกว่าจิตที่สงบสงัดที่ละที่ถอนที่หึ่งผู้ประพฤติปฏิบัติเคยเป็นหลักฐานพยายานเขาพวกเรามานับไม่ถ้วน เพาะความเห็นเด่นพัดในอดในธรรมถึงอะไรสึตร ง, ง, ง, ง, งตาโลกเขาติดข้อท่านก็ไม่ติดข้อตามเขาเพราะท่านเห็นว่าของเหล่านั้นไม่มีคุณค่าเท่าอดคัมที่ทันรู้ท่านเห็นที่เด่นอยู่ในจิต ใ, ในใจของท่านเคยเป็นอย่างนั้นมาเดือนั้นศาสนาจึงอย่างยืนถาวรถึงจะมีคนมา โกหกลองปลอมหลอกลวง่วยอบุบายวิธีใดพูดที่นี้อัตมีย์ทำในใจจริงจังจะไม่มีการบ่ายบายเลื่อนเอียงไปตากหลักธรรมธรรมสังสอนของพระพุทธเจ้าที่เข้าถึงจริงจังเส้นอย่างนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้เป็นสองไปไม่ได้มีหนึ่งอยู่แต่กับธรรมเท่านั้นความสื่เห็นเด่นรับมีความสุขประจักษ์ในจิตในใ จ, จอย่างนั้น ไม่ใช่คนอื่นจะหามาให้เนื่องจากตามปปฏิบัติกายใจของเราเองเราจึงเสื่อตัวเองไม่มีการบั่นไหวไปตามอารมณ์ภายนอกขอปฏิบัติทุกทผ่านก็เคยศึกษาเคยได้ฟังมาแบบทีินคือการรักษา เขาเป็นหนูโถจ้าแล้วอยู่ได้ันนันติเีโอยมตายด้มัไแ่แล้วมีัเ้มันเป็นาตทถายาตห่างุุไปตั้งมัน้อเนเอ้ะมะมทา ศาต์มือเป็นปฏิมาศาตร์าต์มือใสทเป็นศาสตรทุกทยกาเกิดของเลาผมมาเป็นกระปา้น่ทวัอเราไปถ่ายความเพี้ยงเอาไว้จะตายเราเท่าไปเท่าแมาเอามันดึงกันักษาแต่มันไม่คนทุกข์ทำนม่ก็ตาย ก็ยังสนนองน้นเวบานม่ฆากันตายก็้ราดเแยอะเหมือนกันากันจปุถนกเดี๋ยวกันหนเดวกันแล้วก็คืนนังนันนัน บ่ร้อนบ่ะตอีกคมันเกิดกันนั่งเดี๋บ้านมี่ตายได้แหละเดีวเาว่ามาดไม่ตั้งใจตั้งคุ้นคมดีเลยตายมันก็ไปเฉยๆเดี๋ยวสมาดเดีวก็มเข็มปากเข็มทองแล้ก็ั้มเข็มับกระนอ ตางกัเต็มเลยแต่วทุกหน้านับมันมีควมสบายใจก็มันต้องต่งกัเต็มเลยผู้อื่นไ่างไงยืดๆก็มันต้นงต่างกันตนเองเพื่อมันต้องต่งกันเต็เองดอกทำเอาเขาเ่าเอาแต่หนังบดาวกับคนตัวเก่าคนตัวท้วงต้อนเลยท่านด้อใจอะไดืตอใจดื้อแล้วเป็น ใจจิตใกชคง่าใจกับโชคใจคกชห่ไจะอาบไอใจะอาบอืมไอ้ใะอาใจไม่เห็เลยไม่จีอาบจริมันจะรู้สึกว่าเอาอะไเอาลังสินเดี๋ยวเราเป็นยังน่งกัเอาเป็นพาดด้เอาเป็นเด อ้อคนากกมุลเดียกมุญเด ม, มาเป็นจกนนะาม า, ะาวิ่งย้ของพระคลทีได้ดเจ้ามาส่งขออให้เป็นของย็นอย็นเป็นจุดเลยนี่ตาใน บ, บ้านเกือบบ้านือทางอำเอหานอนเือ เรา้วไปตายเยอะอืมปาจ่าปากุลปาแก่เลยนะมาตายให้ตายของพ่อไม่กันนะว่าต่อในเม่อเราทักเมื่อเราเป็นพระองค์เออถ้านอกสมุตายสมุนอกสมุคืออพ่อ ถ้าไม่ไดของระพุทธเจ้าทำเท่าไม่เป็นผู้คนไรธรรมาาติไวก็มีขัมเย็นมีขั้วร้านตาเอวปภาษาสาตากปักุนมันห่อนตาแก่สมมติไต่นานตาเอปภาษก่นอกบ้านนี่ก็ขีดเอาเนว่ามวย